ท่านสาธุชนมุตบริษัททั้งหลายเล่นเราก็อ่านกันไปเล่นๆคุยๆแต่ จิตใจก็มีความมั่นคงในพระพุทธเจ้านึกธรรมอะไรเห็นทุกข์ <c oughs> <c oughs> จะอยู่กับคนละที่ไปเงียบสงัดต่างคน ก็นึกถึงอะไรใจใจเห็นเห็นจากทางใจตอนนี้ทางตาลืม วันนี้เป็นวันวันที่ 3 ของการบวชการเจริญกรรมฐานมีความ แล้ว 2 องค์เค้าก็มีสภาพ 3 องค์ฉะนั้นคืนนั้นเจริญกำลังจิตตั้ง จนท่านไม่ปรากฏว่ามีลมหายใจเข้าออกมันทรงตัวอยู่นานแสนนานไม่รู้สึกตัวกำไผไม่รู้ ในเมื่อลมหายใจไม่ปรากฏนั้นก็เป็นอาการของฉาน 4 มารู้ตอนเช้าที่ เวลานี้ตํารามีเยอะครูบาอาจารย์มีเยอะแต่ว่าบอกอ่านหนังสือมาตั้งหลายเล่มแล้วไม่เข้าใจเคยมาที่ที่ผู้ <c oughs> บ่ถ้าคุณอ่านมาหลายเล่มไม่เข้าใจคุณก็เป็นคนที่ฉัน แล้วน้าจะสบายที่เค้าเรียกว่าเป็นถึงพอรู้สึกตัวขึ้นมาก็เอาไป การทํางานของท่านก็ไม่เป็นการบังคับใครสอรัตัยใครใครจะทํานึก มันจะใช้เวลามากเวลาน้อยยังไงก็ช่างมันยังไม่ง่วงขนาดที่เรายังไม่ง่วงจะปล่อยเวลาให้เป็นทุกข์ที่ตอนนี้ ขณะเวลาทันทิศตะวันตกดูใบไม้ไหวทัน พอเริ่มจับอารมณ์พับจับอานาปานคือลมหายใจเข้าออกพอหายใจ รูปร่างแก่เกือบๆเท่าตมแดงตมมรน่ะใหญ่มากแล้ว อันนี้ก็ต้องขอโทษพระรุ่นพี่ที่มาบวชมาแล้ว <c oughs> แล้วก็ทําไมจึงอย่าต้องไปแนะนํากันแบบนั้นทําไมจะไม่ แล้วเธอให้อะไรกับบ้างล่ะเคยบอกท่านว่าไม่ได้ให้ก็รับท่านถามว่าทําไมจึงไม่ให้ก็ชี้ <c oughs> หลวงพ่อปานท่านก็บอกว่าไปเชื่อไอ้เปรตนี่ท่านจะเอามาแล้วคือละจะกลายเป็นคฤหัสถ์มาเป็นพระนี่ถ้าว่ากินก็ไม่ได้กินเหมือนกันเปรตถ้าไม่ได้โมทนาสงฆ์ มีสภาพความเป็นอยู่คล้ายกันแต่ผู้ฟังก็ใช้ได้ยอมรับเหมือนกันแต่ว่าเป็นเปรตประเภทที่มีคนให้ <c oughs> ก็คั้งกรรมกรรมที่เป็นบาปมันไปกด ก็ยังไม่ได้ถามวิเทวทิศก็อะไรไอ้ที่ที่เข้าทิศสังฆสนกัน ก็มีคน 2 คนเอาโซ่มา ถึงหลังเอาอย่างนี้นะวันนี้เข้ามาอีกคน ใครให้แต่งงานกับนางฟ้านี่ไม่เอาแน่อย่าใช้ง่ายๆนะว่าผลบุญใดที่ฉันบำเพ็ญก็ตามเอาใช้คําว่า <c oughs> ผลบุญนี้จะพึงมีกระฉันอย่างใดจะมี นี่แล้ว 3 คนนี่เค้ามา ต่อมาคืนรุ่งขึ้นก็มาครั้งเดิมเมื่อถึงก็มายืนปั๊บพอเห็นยืนพับ <c oughs> <c oughs> ผลบุญๆๆบรรมีตั้งแต่ต้นจนกระทั่งปัจจุบันที่สะสมแล้วจะพึงมีสัจฉันเพียงใดและผลบุญ <c oughs> นั่งคุกเข่ากราบกราบครั้งแรกลุกขึ้นมารูปร่างตามเดิมกราบครั้งที่ 2 เป็นแก้วทั้งหมดไม่เห็นเนื้อผ้าเลยทั้งเสื้อ ก็ไม่หายวัดก็ลุกขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงไม่หน่อยเห็นภูเขานี่โอ้โหม่านมัน 3 ยอดแพรวพราว ใหญ่ตุ่มที่มาหาแต่ว่าที่วิมานให้เค้ามันสวยจริงๆทุกคนสวยหมดแพรวพราวจริง นั่งตรงนั้นน่ะไม่ได้เหาะไปฟังก็ได้ยินเค้าเห็นหมดเหมือนก็อยู่ใกล้ๆฟังก็พูดกันได้ ความจริงไอ้อาการอย่าง 3 ยอดแล้วก็ไส แล้วไอ้ที่เราเนี่ยมันจะเหลือหรือไม่เหลือฉะเริ่มสงสัยตัวเองอือในการต่อมาหลังจากนั้นก็หลับก่อนจะหลับก็นึกถึงพระพุทธเจ้าเห็นภาพท่านชัดเจนสวยมากสดชื่นเอาละวิมานได้หรือไม่ได้ก็ช่างหัวมันเถอะมันจะเอาไปหมดแล้วก็ ยังไงยังไงอีวิมานหลังหลังสุดท้ายมันคงจะเป็น แล้วเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าท่านทรงย้ำ กลับมาฉันข้าวหลวงพ่อปานท่านนั่งหน้าบวงต้นแถวหลวงพ่อเล็กลงมาอีกด้านหนึ่งก็ไปสัมพันธ์เย็นหนูว่าปานนั้น พอเห็นหน้าท่านเข้าหรือในญาติโยมแล้วท่านผมอ่านท่านก็ดีท่านฟังก็ดีลองคิดดูอาจารย์ของอาตมาแล้วท่านดีขนาดนี้แต่ว่าคนในตําบลบ้านอําเภอเท่าไหร่ทั้งตําบล ที่พูดนี่ไม่ใช่นินทาเขานะพูดตามความเป็นจริงพระที่เข้ามาบวชพระในไม่ได้สน แล้วอาตมา 3 คนเนี่ยเค้าก็หาว่าบ้าก็ๆแล้วสวรรค์นรกอะไรตะลันเรื่องกรรมฐานเค้าก็ไม่พูดต่อหน้าว่าบ้าต่อหน้าเค้าก็ดีแต่ว่าเวลาเข้าพวกเค้าก็หาพวกเรา 3 คนนี้บ้า เขาลืมตายังไม่สามารถที่เห็นนั่นไปล้อมพ่อปานเค้าอีกจะ เมื่อก็กราบเรียนด้วยความจริงใจว่าเสียดายครับผมก็คิดในใจว่าผมบําเพ็ญบารมีมากี่ชาติแล้วครับก็ <c oughs> ไม่ฉลาดแบบนี้ขายไม่มีใครเขาซื้อหรอกเพราะการที่เธอเห็นแบบแล้วกับเขาแล้วทุกอย่างว่าบุญผลบุญ เคยถามนั้นบอกว่าถ้าบอกเขาแบบนั้นมันจะผิดมั้ยตลกไม่ผิดมันเป็นมหาเมตตาใหญ่คนจะทําเป็นประจำแล้วก็ท่านอธิบายบอกว่าถ้าเขาได้อย่างนั้นเรามันต้องได้อย่าลืมว่าสมมุติว่าเราเป็นมหาเศรษฐี เราไม่ได้ให้หมดเราให้แต่เศษไปๆมันจะยิ่งกว่านั้นแหมแค่เท่านี้เองตัวก็รู้สึกว่าตัวพองมันก็ หลังจากนั้นมาก็ทํางานก็ต้องกว้านก็ทําทําวัดสวดมนต์เสร็จก็ทํางานกับท่านดูหนังสือบ้างถึง คนที่รวยจักรทัศน์วิริธโยจริงๆก็คือในประโยงตั้งตรงจิตอีกคนหนึ่งก็ชื่อฉันลุงฉันคนนี้แกพิสูจน์เลยว่าแกตักข้าวเข้ายุงเท่าไหร่ เวลานี้ 2 นาทีจะเสร็จนี่เอาก็คุยกันไปเว 5 บรรดาท่านทั้งหลายสิ่งที่ไม่น่าจะปรากฏก็ปรากฏนั่น ก็กลับเข้ามานั่งเดินไปเดินมากับคณะมนังที่เก่านั่งปุ๊บรายก็ว่าแขกนั่งอยู่ทําไมที่นี่ก็นึกในใจแต่ใจเวลานั้นยังเป็นสุขก็บอกว่าฉันมานั่ง เขาบอกที่เจริญกรรมฐานที่อื่นมีส่งไปธรรมมานั่งตรงนี้ แล้วก็แฉญเคารพพระพุทธเจ้าเป็นเป็นกําลังเป็นกําลังใหญ่ถ้าเอาเธอจะไล่ฉันก็ต้องไปบอกพระปานให้มาไล่ฉันแต่พระปานท่านสั่ง 5 วัน ของเก่ามันยังอยู่เยอะนี่ถ้าเป็นสมัยที่เป็นแค่คุณถ้าคุณคิดว่าที่นี้ ถ้าคุณจะยังไม่ตีแต่สัญญัติตีคุณ 42 วินาทีก็หมดแล้ว